ประกอว่าหนียังไงประตูประตูมันอัดกันแน่นไปหมดควันก็มืดไปหมดเหมือนที่ว่าโมหะใช่ไหมเล่าควโมหะมันมืดเหมือนฟันไงล่ะก็หาที่ออกไม่เลยก็ตามไปก็หกสิประสบมั้งพอดีอตมากังอยู่ในอเมริกาออกกลับมาแล้วมาอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างนั้นเพราะอตมาบินมาจากอเมริกามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเจดวันแล้วก็บินมาจากญี่ปุ่นสนามบินในตามาเมืองไทยก็บินมวลาหกโมงเย็นก็ทราบว่าทางในสันติภาผับนี่ก็ตายกันพอมาถึงเมืองไทยก็เวลาตีหนึ่งของ สนาบินสุรรภูมิบินมาจาก ส, สนามบินไกาตาก็ตอนอหกโมงเย็นท่นเลยทราบว่าเขาส่งท้ายปีใหม่กันเอตายกันเป็นเบืออันนี้แหละจิตมันเศ้าหมองอะ่ะใช่ไหมละ่ะทีแรกก็จิตผ่องใสเดียวต้กันเย้ยวเยยเยเย้่าเช่าเช่าเต้นกั น, น, กนพอหน้าคือมาจิตมันเศ้าหมองก็สื่อมสนที่รดนวลลายความตายแล้วมันเจ็บมันปวดแล้วมันแสบมันร้อนอะ่ะจิตมันอเศ้าหมองที่ใครจะจิตผ่องใสบ้างใครจะตายหุ่นละกากากนอนยิ้มแง่ยิ้มแง่มีไหมล่ะ เออมามามาสักเดือนสองเดือนนเนี่ยสมาชิกดูทอทัศน์เออเรื่องจริงผ่านจอหรือไอ้เล่นรับอะไรต่างนั้นนะอ่ะขรากฏว่าไอ้ที่ซันติก้าผับนะ่ะไอยามมันก็ไปยืนยามอยู่ตอนเย็นก็มีผู้หญิงเออแต่งตัวมาพี่ยามพี่ยามหนูอยู่ชั้นสองเออมันก็บอกพี่ยามพี่ยามหนูอยู่ชั้นสองไอยามก็เ อ, อ้ยอะไรวะรีบแบนเลยสี เออไปตามกันมานั่นกันมาก็เลยพนักงานแจ้งเจ้าที่เขามาก็มาค้นเจอซ่าขบไปชั้นสองจริงเออเห็นไหมละ่ะเนี่ยจิตมันเศร้าหมองมันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันไม่รู้จะไปไหนน่ะมันเพราะมันไม่รู้ตัวมันตายอ่ะมันไม่รู้ตัวใช่ไหมละ่ะนี่แหละเรียกว่าสำมุนอา่าสำมุนหังกำรกระติหลงอาการกิริยาตายเพราะฉะนั้นจริงได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นพูดเป็นผีเป็นสัมภเวสีเป็นโอปาสิกาต่างห น, นทางมากมายเพราะไม่มีสติไงเราเนี่ยจิตมันเศร้าหมอง คราวนี้จิตใจอสังกริเถสุขติปาสินขาเราจะตายในคืนนี้ให้มันตายเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยปฏิบัติอย่างนี่ยคืนนี้ไม่นอนเนี่ยมันจะตายให้มันตายเอแต่เรานึกถึงบุญกุศลเราที่เราได้รักษาศีลเราได้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ยเป็นปฏิบัติบูชาบูชาพระเจ้าในการปฏิบั ต, บ ต, บติงั้นดอกมองคลดอกไม้ต่างๆนี่เขาเรียกวาอ ม, มิสซบูชาเขา้าใจไหมล่ะดอกไม้ธูปเทียนนี่เป็นอ ม, มิสซาบูชาแต่ว่าเรา ได้ประพฤติปฏิบัติทำรักษาศีลได้นั่งสมาธิภาวนาเนี่ปฏบิบัติบูชาพระเจ้าสรนเสริญเนี่ยพระเจ้าท่านมาเห็นท่านก็บอกโอ้ดีนะลูกดีนะลูกแหมดีจังเลยลูกอย่างนี้เอออย่าลุกไปเยี่ยวนะลูกทนเอานะลูกให้มันชีวแตกกัไปเลยเอองั้นจะนั่งยังแจ้งยังไงตมานี่นั่งตะขอตะวันตะวันดินยันแจ้งยันแจ้งอ่ะเออนั่งมาแล้วครูบาอาจารย์พระชานี่พระเช้าเยี่ยมมาเป็นเลือดเลยอะ เออป่านั้นเนี่ยก๋วยเป็นครูบาอาจารย์คนได้เขาจะไม่ล่าแต่ที่ท่านเที่ยวไปเลื่อนไม่ชากลั ว, ว, วผีท่านไปนั่งในป่าชาเออท่านนั่งในป่าชาท่านบอกเขาบายจะตั้งเอาไว้เนี่ยเออก็เสียงมันย่ากลุ้มกลมุ้มกลุ้มเข้ามากลุ้มเข้ามากางกดเนี่ยท่านบอกเบียดกดเพอะไม่มีที่พึ่งแล้วอะ่ะมันก็ย่ำกลุ้มกลมุ้มเข้ามาข้างไอ้กดท่านอะ่ะท่านบอกท่านนั่งเบียดบายกระเด็นคุ้งคุงคุ้งไปเลยอะ่ะไม่มีที่พึ่งเออท่านบอกโอ้จะออกไปเที่ยวกลัวมันเออกลัวผี นั่งอยู่อย่างนั้นปวดตรงเยี่ยวมากปวดตรงเยี่ยวมากพอตอนเช้าพอสว่างขึ้นมาแล้วท่านบอกโอ้โหปวดมากพายเยี่ยวมาเป็นเลือดเลยท่านบอกโอ้โหสงสัยข้างในมันแตกมปแล้วท่านว่าเงินเนี่ยเขาจะเป็นครูบาอาจารย์คนได้เขาจะไม่เล่าพระอาตมาก็เหมือนกันพระอาตมาจะไม่สะทกทานหวั่นไหวไงเพราะมันมีของจริงเพราะนั้นเขาบอกว่าเจ้าที่เขาบอกว่าอย่าเพาะอย่าเล่าของเก่านะเอ๊ะเพราะอย่าเล่าซ้ำไอยเล่าของเก่านะเอ๊ะไอหามีของเก่ามา รีไซเคิลแล้วมีทํำยังไงกับเราเออก็วันนี้จะยูเทนะิร์นอ่ะเออเออเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ของเก่าเนี่ยมันเป็นของดีนะเออพ่อแม่แล้วก็เป็นของเก่าปู่ย่าตายายก็เป็นของเก่าพุทธเจ้าก็เป็นของเก่าที่ดินมันก็เป็นของเก่าหรือใครว่าไม่จริงล่ะเออถ้าใครว่าเครื่องดินนี่เครื่ดินไม่ใช่ของเก่าก็ไม่ยกให้จะมาสินะ อ, อ่อนเลยฉนดให้พระครูสุชาติการชนะกุศล ม, มาจะได้ขายไปเที่ยว รอบโลกวะเออของเก่านี่มันมีของดีนะบรรทบุตร ป, ปู่ย่าตายายเราก็คนโง่หรือวคนฉลาดากันทั้งนั้นเขารู้จักว่าของเก่ามันเป็นอย่างไรเออข้าวของอะไรต่างข้าวของเงินทองอะไรต่างเนี่ยของเก่าเนี่ยเออมันมีคุณค่าเออแม้แตาบาศผู้เดียบย่าอยู่หัวพระองค์ทรงตัดว่าแม้อีกเก่าก้ากอนเดียวเนี่ยแม้อีกเก่าก้ากอนเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านผ่านมาพระเจ้าท่านผ่านมาท่พระเจ้าเนี่ยท่านสลบแล้วสลบอีกอะ่ะเออโอ้โหมันทราบถึง้งท่านท่านบอกพิสุทั้งหลายเราสถาคตไม่ได้เสวยอาหารไม่ได้เสวยน้ําเพราะกันดาร น, น้ําไม่มีน้ําไม่มีอาหารเราสถาคตเดินไปหมดแรงล้มลงไปไม่มีแรงจะลุกขึ้น เด็กเลี้ยงงัวมันผ่านมาพวกงัวก็เดินข้ามไปข้ามมาควันกวนเหม็นเยี่ยวเหม็นขี้เยี่ยวงัวมันก็เยี่ยวลดมั่งขี้ลดมั่งพวกเด็กเลี้ยงงัวมันก็เอาญ้ามาแย่เออแย่มาแย่รูจมูกมั่งแย่หูมั่งเราถหาคนก็นอนมองจะพูดก็พูดไม่ออกเพราะมันแห้งแหมมันแห้งคอมันแห้งไปอย่างนั้นคอมันแห้งก็จะพูดก็พูดไม่ออกไม่มีเสียงไม่มีอะไรต่างก็นอนปล่อยให้เด็กมันแยงหูกันปล่อยให้เด็กมันแยงจมูกกันก็นอนดูเฉย เด็ ก, กเห็นงัวไปไกลมันก็เลยตามงัวไปพระยายามบังคับบังคับแขนของท่านเนี่ยไอ้งูอ่อนๆมันขี้อยู่ข้างๆเลยเออท่านก็พยายามรวบรวมพละกําลังของท่านน่ะแต่บา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นนาโถเป็นที่พึ่งให้พวกเราอะ่ะเฮ้ยถ้าก็รวบรวมกําลังของท่านเนี่ยเอื้อมมือไปหยิบไอ้ขี้งวัวลูกงวัวที่มันขี้ไว้อ่อามาใส่ปากกลืนเข้าไปนี่พระเจ้า ก่อนจะเป็นพุระเจ้าอ่ะคุณเคยอ่านเจอไหมเคยเจอไหมอ่านเจอไหมแล้วคุณเคยได้ยินใครฟังใครพูดไหมเคยได้ยินใครพูดไหมฮะ เ, <า>เนี่ยพระเจ้าแล้วงั้นอ่านแล้วโหทราบซึงมากพุระเจ้าเรานี้โหกว่าจะเป็นพระเจ้าเป็นาป น, นาโถให้พวกเราเพราะฉะนั้นเห็นท่านกราบเห็นท่านกราบเมื่อตะมานั่งรถเนี่ยผ่านจีดีภูเขาทองก็ยกมือไหว้อดัลซี่ของนี้ว่าพระค์นี้บ้ามึงให้หายยกมือไหว้ เออผ่านโลหะประสาทราดดาขยกมือไหว่นัตมาตรงนั้นจะไหว้สองที่จึ๊บจึบอ่าพะเล่นผ่านไปนประฐมก็ยกมือไหว้ไม่ไหวยังไงล่ะเออต้องไหว้งั้นมาในตกน้ําไม่จมเพราะมาไหว้เก่งเอเพราะฉะนั้นเนี่ยมาผ่านที่ไหนมีพุทธรูปที่ไหนมีนั่นอะไรนั้ยกมือไหว้เห็นจะดียกมือไหว้ยกมือไหว้งั้นเข้ากรุงเทพทีไรผ่านภูเขาทองขยกมือไหว้ไม่ไหวยังไงล่ะ มันเป็นบุญของเราอ่ะเออสะสมสิไหวทุกครั้งเราเหมือนเราตังหยอดก๊อกพผ่านบุคคลทองเราก็หยอดต๊อกใส่กระป๋องของเราไว้อ่ะเออผ่านโลหะผสาวรา่ดาที่ยังดัมเปอร์อยู่ก็หยอดต๊อกเออหลายๆก๊อกเข้ามายกขึมาโอโหหนักตื้อเลยเออเพลงมันยังร้องอ่ะแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องรองชายเห็นไหมล่ะมันบอกแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องรองชายเออ ที่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูโรงกรเขาคงนอนทับบอยวิชายเป็นว่าอย่างนี้เออควังแล้วมันเซิ้งเพลงนี้โอ้ไอหาโวกลูกชายคนหนึ่งเนี่ยมาพิจรารณาโอ้โห อ, อุตส่าห์ไปขับแท็กซี่เช่าห้องแวะ <c oughs> เก็บเงินใส่กล่องแวะแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชายเออแปลกใจอะไรกันนี่ หน้าห้องของพี่มีรองเท้าผู้ชายเลยก็ว่าไม่รู้ไม่รู้เออแค่ก็ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าไหร่ถ้าหาวพ่อเป็นพระครูตุชาติโอ้โหนี่เบลเลยไม่กล้าเสียงด้วยเห็นรองเท้าก็รู้แล้วคนสวมหุ่นเท่าไหร่เออถ้าหุ่นอย่างงี้ต้องไม่น่ากลัวเนี่ยหินอย่างประขาวคนเนี้ไม่น่ากลัวจังหมองอย่างเงี้ยถ้าหุ่นอย่างพระครูตุชาติพระพ่อมันทนนี่มัน่ากลัวหน่อยเออแค่ดูเบอร์ก็รู้แล้วคนสวมหุ่นเท่าไหร่ เออเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่กล้าพังห้องออกไปไงมันก็ก๊อกก๊อนั่นน่อไม่อยากแอฝังทางสวรรค์อะไรมันก็ว่ามันอย่างนั้นเนี่ยควังไปเอ้มเข้าท่ามกันเว้ยเออมันเข้าท่ารองเท้าหน้าห้องเนี่ยอือมันเข้าท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโหกของลูกผู้ชายนะโหวกลูกผู้ชายเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยพระเจ้าเราก่อนจะเป็นพระเจ้าให้เราอะถามจริงๆว่าในโลกนี้มีใครรักเราจริงมั่ง พ่อแม่รักเราจริงเหรอไม่จริงพ่อเราแม่เรารักเราจริงเหรอไม่จริงในโลกนี้มีคนคนเดียวเท่านั้นที่จะรักเราจริงมีคนคนเดียวพ่อแม่ก็รักเราไม่จริงได้เห็นชัดแล้วก็ทำไมล่ะเราเข้าป่าเข้าโรงเข้าไปในป่าชาพ่อแม่ไม่ตามไปด้วยท้านี่พ่อแม่ก็อยู่ เพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยได้เห็นแล้วว่าพรธเจ้านี่ตามเราไปทุกที่อ้าเราไปเข้าร่วมพระเจ้าก็ตามเราไปเออเราชุดเราเราเข้าไปในท่วมเข้าไป็นคนเดียวไม่มีใครนะปิดประตูอย่างนี้ที่ไหนพระเจ้าก็ตามเราไปเออคุณรู้เปล่าคุณอย่าลืมตัวสิถ้าคุณมีสติความนึกได้แล้ปัญญาควรูตัวมีพุทโธอยู่ในใจพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าคิดว่าเข้าห้องน้ำไม่มีใครนะอายตัวเขาจะแอบดูเปล่าดูทำช่องทำอะไร แท้ที่ไหนได้พระเจ้าต่างตามเราเข้าไปในส้วมนั่นนอนพระเจ้าท่านนอนกับเราอ้าวพระพุทธะพุโทโธมอยู่ในใจเราอ่ะเออเพราะในนั้นนะพ่อแม่ไม่ไตามเราบางที่พ่อแม่ก็ตายไปแล้วชวนพ่อแม่มาก็ไม่มาอีกเออกูไปไม่ไหวกูไปนะว่าเพราะฉันนั้นนี่แหละในโลกนี้มีพุระเจ้าพระองค์เดียวททธธเท่านั้นศึกทัฐราชกุมารเท่านั้นเนี่ยที่รักเราจริงมหาการุณิโกโนาโถยตายะให้ที่พึ่ง แล้วก่อนท่านจะให้ที่พึ่งได้เนั่นน่ะท่านภาคเพียนตั้งหกปีสลบแล้วสลบอีกกินกทั้งขี้งัวฮะท่านหวังเกิดมาเพิ่มเป็นที่พึ่งของพวกเราอ่ะอะไรท่านก็ไม่เอาอ่ะท่านจะได้เป็นพระจักรพดของโลกท่านก็ไม่เอาขอให้เป็นพระเจ้าเพื่อให้ที่พึ่งเพื่อแสงสว่างกับโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้านี่แหละรักเราจริงนี่คิดดูซิว่าท่านมีเมียต้องพันกันหนึ่งคนอะเถอะ พระเจ้านี่มีเมียพันกว่าหนึ่งคนนะศิลป์ฐานรัชกรมานไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้ามีเมียไม่ได้เออเพระเษษาะท่านศิลปะฐานรัชกรมานเนี่ยท่านมีสนมกำนันตั้งพันคนเออเออแล้วก็พิมพารยโสธราที่ถือว่าสวย ท, ที่สุดในกรุงเทวทหกุลบิลพัทและสนมกำนันนางตั้งพันคนแล้วราวนี้ก่อนท่านจะในออกบวชท่านเห็นชาวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บ และคนตายแล้วก็เห็นสมณะเทพีดาวพระดินโดนดานท่านก็เลยคิดออกบวชคิดจะหาทางออกบวชคราวนี้ก็ประกอว่าอํามาย์ก็มาถูมาขอเดชะพระอาจยาไม่พ้นก้าขนานี้พิมพายโสตลาประคลอดประสูศพระราชจะรถออกมาแล้วพระเจ้าข่าพระองค์อุทานออกมากเลยลาหูลังชาตังลหุรังพันธนาอุทานออกมากเลยเออ เหล่าลังชาตังเครื่องผูกมัดเกิดแล้วเออเรา่าังชาตังเครื่องเรล่ารังชาตังเครื่องพันธนาเครื่องผูกพันเกิดแล้วเออนี่พันธุ์อุรังชาชาติยางชาชาตังเอ้เอ้หนี่ชาชาติยางชาตังพันธนาชาตังอะไรต่างแหมนึกบัลีผิดไม่เคยถูกเหล่าลังชาตัง ราหุนเกิดแล้วห่วงเกิดแล้วลาวรังพันธนาเครื่องผูกมัดเกิดแล้วเพราะฉะนั้นหนีออกบวชสั่งให้ในายชนะผูกมา้าท่าไม่ไปโรยตา้าไม่ได้ไปเบนซ์ไปบีเอมไปโลซลอยหรือไปเล็กซัสอะไรหรอกเออท่านขี่ม้าออกไปสมัยนั้นเพราะฉะนั้นม้าจะเร็วม้โนหมงาพระธาม า, มมาะะจิงชอบสะสมรูปมา้ารักมา้าเพราะเป็นตานมา้าและม้ามันได้ดังใจนี่เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเรียกว่าม้าสมัยนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยม้าที่สําคัญในโลกเนี่ยมีสามตัวที่มีชื่อนอกนั้นพระทะเลสวนขี่ม้าก็ไม่รู้ชื่อม้าชื่ออะไรเ อ, อนาโปเลียนนโปเลออนฝรั่งเศสมหาราชของฝรั่งเศสก็ไม่รู้ขี่ม้าชื่ออะไรแต่ว่าม้าที่มีชื่อในโลกเนี่ยมีอยู่สามตัวที่มีชื่อถ้าหากว่าประเทศอินเดียสองพันกว่าปีมาแล้วชื่อยังอยู่ในความทรงจําของชาวพุทธอยู่เสมอชื่อม้ากันตะกะ ถ้าหากว่าประเทศจีนพันต่อปีในสามก๊กมาที่มีชื่อก็คือมาเช็กเทามาเช็กเทาเลือกกรต่ายแดงเนี่ยวันหนึ่งวิ่งได้พันลี้ถ้าพันลี้นี่คิดเป็นกิโลแล้วก็ประมาณเจ0ดร้อยหรือแปดร้อยกิโลนี่แล้วมาเช็กเทาเนี่ยใครขี่ตายหหมดเนี่ยใครขี่ตายหัหมดนี่ เพราะฉะนั้นมาเช็กเทาเนี่ยเดิมเป็นมาของตังโตเป็นมาที่วิ่งเร็วมากสามารถขับตามค่าศึกได้หรือหนีค่าศึกข่าศึกตามไม่ทันเพราะนั้นมาเช็กเทาเนี่ยวิ่งเร็วมากไอกระต่ายเพลิงเนี่ยเพราะสีมันแดงเป็นเพลิงไม่มีสีดําสีอะไรมาปะปนในแดงเพลิงเพราะนั้นมาเช็กเทาเนี่ยเป็นมาของตังโตเพราะนั้นตังโตนี่เห็นวิปโป้ลบเก่งมาก เลยอยากจะได้ตังโตมาร่วมมือทําไมไม่ได้ริปโปมาร่วมมือด้วยอ น, นี้อยู่ลูกเขยก็เลยบอกว่าโอ้โหเตียจะไปยากอะไรแล้วเตียอยากจะได้ของดีเตียต้องเสียของรักเตียจะยอมเสียของรักไหมถ้าอยากได้ของดีอยอมเสียของรักไมหมเหอะฮอะเออความสาวคุณนี่รักไมหมห่วงไหมพรหมจารีของคุณนี่รักไมหมห่วงไหมแต่เขาเอาแหวนขี่กระหลัดมาแลก ข้าทองอตั้ง20บาทเป็นแรกเงี้ยนะอยากได้ไหมล่ะทอง20บาทแน่บาทต้หมื่นกว่าเว้ยเออเออและที่ดินอีกข้างๆวัดสังฆทานนี่ ก, ก็รายต้องสลาย20สบกว่าล้านเงี้ยเอเอามาแรกเอาไหมาล่ะเสียของรากพลเมจันน่ะเอมันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลยลูกเขยของริปเปเนี่ยไอ้ลูกเขยของตังโตนเนี่ย ก็แซรีเหมือนกันการิโปเป็นญาติกันก็เลยบอกโอ้โหต่อเตียเตียอยากจะได้ของตีของดีเตียต้องยอมเสียของรักอะไรวะไอริยู่อ้วไม่เข้าใจอ้าวก็เตียเนี่ยรักไอเช็คเทามากไม่ใช่เหรอของรักของเตียไม่ใช่แล้วไอเช็คเทาอ้าวแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรกับอาริโปเลยวะอ้าวก็เตียอยากได้กริโปมาเป็นคุ้มสุดคู่ใจอะธรรมดานักรบเนี่ยมันต้องรักม้า มันต้องอยากได้มานี่เพราะฉะนั้นเตี่ยรักไอ้เช็กเทาเนี่ยเตี่ยก็ต้องให้อลิโป่มันแล้วไอ้โปมันเป็นนักลบเนี่ยมาอิปมาเช็กเทาเนี่ยมันขึ้นชื่อที่สุดใครก็อยากจะได้มันเพราะฉะนั้นเตีย่ยอยากได้อริโป่มันมาเตี่ยให้มาเช็กเทามันไปเนี่ยมันจะไม่ได้ไปไหนมันมาอยู่เตี่ยมันก็ขี่มากเช็กเทาเนี่ยทำงานให้เตีย่ยเออเข้าท่าเว้ยเข้าท่าเว้ยเออ เพราะฉะนั้นลิวอยู่มันก็เลยเอาม้าช็กเทาไปหาลิโป้เออไปเยี่ยมเยียนไปหาท่านแม่ทัพเออท่านแม่ทัพลิโป้อยู่ไม้อัวลอยู่แท่เดียวกันบ้านเดียวก็จะมาเยี่ยมอย่างงั้นเออพานั้นไปปุ๊บเจอขันข้าอ่ะเขาดีใจเป็นไงว้หาลิวอยู่ก็ตั้งโต๊ะเออควายลิโป่ได้ไปอยู่แตงโหน้นั่นจะไปเออแตงหโวนก็จะตั้งตัวเป็นใหญ่เหมือนกันแตงโหนนี่ก็ก๊กหนึ่งเหมือนกันเออก็นั่นเหมือนกันควายพวกหนึ่งเหมือนกัน แตงวนก็เป็นพ่อเลี้ยงพ่อริโป้นีพ่อเพิ่มไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยปรากฏว่าเออพ่อเลี้ยงเขามันคนใหม่นี่ก็คือแตงโหน่งเพราะฉะนั้นมาอยู่กับแตงโหน่งมาก็มาลบตาตังโตเพราะฉะนั้นตังโตก็เห็นไอ้ริโป้ดีมันลบเต่งมากฆ่าลูกน้องตัวเองตายผอยไม่ผอยมันไปไหร่วงเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่นี่ก็เลยเข้าไปเป็นสื่อเข้าไปหาริโป้คุยกันนั่นกันมันก็เลยบอกเลยบอกว่าเออริโป้เอ้ยริปโป้ดีมันเชื่อฝอยเส้น ออต่อฉนเขี้ยแม่งเตะเพราะนาั่เฝยเส้นเฝยเส้นเลยอ้วพิจารณาดูแล้วนาตังโตนี่อีได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นะเออหรือได้เป็นใหญ่ได้เป็นห้องเต้แน่นะดูหัวแห้งดูลักษณะท่าท า, าขงของแล้วของไอ้ตังโตแลอ้วถึงนี่ไปอยู่กับตังโตเพราะนั้นริปโป้หรือไปอยู่กับเฝยเส้นได้หรือไปอยู่กับตังโตดีกว่าเออถ้าหากว่ารู้ไปอยู่กับตังโต ถังโต้ตได้เป็นนายกบัตรีหรือก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกลาโหมหรือเป็นรองนายกบัตรีอย่างนี้เอนักการเมืองมันก็แบบนี้แหละซื้อตัวกันเพราะฉะนั้นเฮ้ยถังโต้ตเขาจะรับอ้วเหลือไอ้ข่าอ้วมาตอนบ่ายนี้ข้าลูกน้องก็ตายไปตั้งเยอะแยะทําไมทําไมเขาจะไม่รับเือไอ้หาก็รู้อ้ว อ, อ, อ, อยู่กับแตงหัวนเนี่ยเฮ้ยแตงหัวนคนแซ่แตงกับคนแซ่หรือมันคนละแซ่มันจึงพ่อเป็นลู ก, กได้ยังไง เออเพราะฉะนั้นลือ้อไฟเส้นเนี่ยลื้อตัดหัวของเตงหมวนไปให้ตังโตเท่านั้นแหละลื้อก็จะอยู่ได้แล้วก็ตังโตก็จะไว้ใจไว้ใจลืออ้อเฮ้ยอย่างนั้นเลอไอ้หาก็เป็นพ่อเลี้ยงวัวจะเป็นพ่อเป็นลูกอะไรไงคนแท้แตงกับคนแท่ลือ้อเนคนละแท้กันเออเห็นดีด้วยวัวมานี่ก็ไป ม, มีอะไรมาฝากมีมา เ, เช็กเทามาโอ้โหพายังเช็กเทาท่านไหนมาอยู่ไหนงั้นโอ้โหไปลูบมันนั่นมันโอ้โโดดควบปุ๊บ เพิ่มเบิกหน้าโดกหลังก็โดดชอบใจใหญ่เอาตัดตัดใจเลยพากลาคืนก็เข้าไปหาแตงโหนพ่อเลี้ยงเลยแทงปุ๊บตัดหัวเลยเอาตัดหัวต่างเอ๊แตงหนวงมาแล้วก็เอามาหาตังโตตังโต๊ะกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทนานพอเห็นเอ๊พี่ป่อไฟเซียนหิ้วหัวของไอ้แตงหนวงมาทันนั้นเลยลงจากโต๊ะเขายี่มาก้มกราบตังคนก้มกราบหัวชนกันปักปัเอ๊หิ้วมาให้อะนะ เออเพราะฉะนั้นนี่แหละเอออยากได้ของดีก็ต้องเสียของรักก็เลยต้องให้ม้าเช็กเทาไป อ, อ้าวแล้วปรากฏว่ามาเช็กเทานี้มาอยู่กับริปโป้ปลายปลายมาริปโป้ก็มาฆ่าตัางโตเรื่องเตียวเตียวเสียนเออนางจักรจันรเนี่ยแทงเตียออฆ่าฆ่าตัางโตเออฆ่าตัางโตตายแล้วจากนั้นริปโป้นี่ขี่มาเช็กเทาเ อ, อ้าวปปลายมามาลบกันนั่น ก็เลยปรากฏว่าถูกโจโฉจับได้โจโฉก็แขวนลอยแล้วก็ปาดเนื้อเทียชิ้นเชิ้นปลาลิโป้ก็เลยถูกปาดเนื้อเทียชิ้นจนขาใจตายมาแต่นี้ก็มาอยู่กับโวโฉแต่โจโฉไม่ขี่อ้าวไปไปมาก็เลยให้กวนอูอยากได้กวนอูมาอยู่ด้วยก็ให้กวนอูอยู่อ้าวไปไปมากวนอูรบเก่งมากคุณกวนอีกกอกหนึ่งก็พยายามจะล้อมจับตัวกวนอูก็เลยรบนั่นต่างๆฆ่าลูกน้องกวนอูตายจนเหลือห้าสิบกว่าคนตามกวนอูมาก็เลยปรากฏว่ามาถึงช่องแคบของภูเขา ก็ขุนกวนต่างให้ขุดหลุมให้ขุดหลุมด้านแล้วเอาไม้ใบไม้มกิ่งไม้คลุมคลุมผบังไว้ก็ปรากฏว่ากวอูถูกต้อนมาต้อนมาก็หลนพลักลงไปในหลุมมาก็เช็กเทาก็เลยทับกวนูขาหักเอ้ามาเช็กเทาก็เลยทับกวนูขาหักกวนูก็ขววงเงาหนินนาคเง้าของควอนูนี่หนักแปดสิบชั่งแปดสิบชั่งครับประมาณเอ่อแปดสิบชั่งนี่ก็ประมาณเอ่อเจดสิบปร์โล หวงงาวนินนาคห่วงควงควงคว ง, คว ง, ควงมันก็ทุ่มคนหินมานั่นต่างๆมันไปโด่งกระเด็นกระเด็นมาหนักควงจนอ่อนลาก็เลยจับได้เพราะฉะนั้นกวนอูก็เลยถูกโจโฉตัดหัวเองกนันเพราะฉะนั้นมาเช็กเทามันก็เลยตอมใจตายไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำตอมใจตายตามกวนอูนี่เพราะฉะนันมาเช็กเทานี่ได้ศึกษามาแล้วพิจารณาตัางโต๊ะขี่มันมาก็ตายลิปอูขี่ ม, มาก็ตายกวนอูขี่ ม, มาก็ตายแล้วมันก็ตายตามกวนอูไป เพราะฉะนั้นโจโฉไม่ได้ขี่ม้าเช็กเทาแต่ว่าให้กวนูกวนูเขาตายเพราะฉะนั้นโจโจโฉนี่ก็เลยปวดหัวเส้นโลหิตสมองได้แตกตายเองที่ว่าจะอะหมอคุโตก็จะผ่าหัวที่ว่าแขาวงนี่เพราะฉะนั้นนี่แหละอ้าวทำไหัวล่อเหรอทำไมหัวล่อเราฮะเหรอเพราะฉะนั้นนี่แหละเออโจโฉเนี่ยไม่ยอมไง ก็เลยหมอจีนก็เลยไม่ไดแสดงความสามารถในคาปฝาสมองใช่ไหมพ่อสังโต๊ะไอ้จอโชนไม่ยอมนี่งั้นถ้าเล่าละเอียดแล้วก็โอ้โหสบายมากเรื่องสามก๊กเนี่ยงั้นมันต้องรู้ตรรศาแตละเรื่องเรื่องผู้ชนะสิบทิศเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายแหละเรื่องกุช้างเรื่องขุนแผนเรื่องรามเกียรติ์ต่างเรื่องอะไรต่างเพราะการศึกษาน้อยอ่ะทำไมล่ะจบป .4 วัดนนทจันทร์อ่ะเออเพราะฉะนั้นโอ้โหจะพูดถึงบุคคลสำคัญในโลกใครจะใครมั่งอับรุฮะม์กุรอ่านวายิงตันอะไรต่างขมหะคาตาบานที่ ไปดูที่นอนแม้กระทั่งที่นอนมหาสมทรตะวันตกถูกถุกยุงตายหมดเนี่ยความเพอ้อขวัญ ท, ทำไมกูจะได้ไปอเมริกาทําไมกูจะได้ไปอเมริกาจะได้ไปเห็นจอร์ดวอชิงตันจะได้เห็นอับราฮัมดินคอนทำไมจะได้ไปเห็นสถานที่จอร์ดเอเบอรีสถานที่ฝั่งตรงไปตรงนี้จะไปเห็นทีพีสุภาพไปเห็นน้ำตกไนไนแคล่าทำไมจะไปหาดไม้มี่ประกวดนางสาวจักรวาลมีดอยู่ในเวรทอพสราหงษ์สกุลทําไมจะได้ไปเห็นไปเห็นหมดทําไมกูได้ไปเมืองซาวอยเมืองเท็กซัสจะได้ไปหมดเพราะความเพอ้อขวัญ น, น, นี่แหละ วุฒิการศึกษามีน้อยทําไมกูยิงได้ขึ้นบินก็ได้ขึ้นหมดเพราะความเพ้อขวัญทั้งนั้นทําไมกูยิงมาเทพถึงพังทาดก็มาได้จริงๆอ้าวใครจะไล่ลงทางมานมันยกมือขึ้นฮะเนี่ยเนี่ยเพ้อขวัญทั้งนั้นทําไมกูยิงได้ออกทีวีเขามั่งไห้หา่ามันโกดีเทดีโอปลื้มใจมากเมื่อวันซุกจะไปกินข้าวแล้วเออเขาออกทีวีว่าวันที่เท่าไหร่เขออก TV ทีวีมที่เท่าไหร่เขาออกได้ของตัวเองครั้งแรกนะ เ อ, อกโอ้โหตะโกนลั่นเลยเฮ้ยเรียกน้องดูทีวีกันแอดูไปแอดหาคุยได้หกสิบห้าจริงเลยว่าทาไมหน้าตามองดูยังเอรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะน่ะเข้าๆตัวเองเห็นไหมล่ะเนี่ยโมหะทั้งนั้นมันโมหะทั้งนั้นหลงตัวเองไงล่ะที่เรียกว่าอัตตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนนะแต่เราหลงว่ามันตัวตน เพราะนัะ้นความปวดความเมื่อยความแรงต่างทั้งหลายแดดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเออทําไมเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเมื่อเราเกิดมาแล้วเออชลาความชลุทุโสมพยาธิความป่วยไข้ทําไมล่ะเราไม่พยายามพิจารณาให้มัรู้ตามความเป็นจริงทําไมเราจะให้มันเป็นอัตตาก็าคราวนี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ ต, ตัวตนของเราเออ เรามาอาศัยอยู่ต่างหากมันก็เหมือนอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันพังโคมลงมาต่างคนต่างก็วิ่งโดดหนีออกจากกันใช่ไหมล้วอาจจะมาถึงสายไปก่อนเพื่อนเลยมั้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหมือนในสนันติเจ้าผับก็เหมือนกันนี่แหละต่างกลัวตายทั้นก็แผนงพวดออกอกันเราปรากฏว่าไปอัดแน่นกั น, นตายแน่นกินตายอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเพาะะื่อนๆลำพำเข้าใจไงมาทำความเข้าใจที่พระเจ้าท่านรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าออกอ่อจะเป็นผู้รู้ได้เนี่ย ท่านอยู่ประสาทสามแล้ดูอะแล้วดูลอดด้อแลดูหนาวแล้ดูฝนแล้วจากนั้นมีสนมกำนันั้งพันคนแลแ้วแหมอาจารย์มันทนแค่สองคนเนี่ยแมมจะออกบวัวไมได้ยังไงอะเออพระเจ้าสนมพันกันหนึ่งคนนะท่านยังออกบวัได้ทางนี้ปรากฏว่าพอเขาไปไป America. ระประทุอะปราศทูลในซาวะขณะนี้พระนางพิมพายโสสลาประสูตรพระเจ้ารถมาแล้วถ้าังพาเราลังพันธนาเราลังาทาตังห่วงเกิดแล้วเครื่องผูกมัดเกิดแล้ว สั่งให้ผูกม้ากันธกะเลยนี่เพราะฉะนั้นก็มาสามตัวที่ในโลกที่มีชื่อม้ากันธกะของพระเจ้าศิทธิราชุมาลที่ออกบวชแล้วก็ม้าเช็คเทาเล่าม้าเชเทาขวางและไม้ตัวคือม้าสีหมอกขุ้แผนไงเพราะฉะนั้นม้าสามตัวท่านั้นในโลกนี้ที่ปรากฏชื่อเป็นอมาตะของพรุวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระนเรศวรมหาราชพระเจ้า อะไรต่างๆทั้งหลายแหละที่ว่าลบเก่งลบเก่งพระเจ้าตากศิลอะไรต่างๆทุ่งเวียนใหญ่ใครรู้บ้างว่ามาพระเจ้าตากศิลปทุ่งเวียนใหญ่ชื่ออะไรแล้วมาพระบารูปทรงมาที่ลานพระบรมรูปสรงมาแล้วกันที่ห้ามมาชื่ออะไรแต่รู้แต่ว่ามาสีหมอกมาสีหมอกของนุ้แผนนั่นแหละเออมาเช็คเทาของในเรื่องสามก๊กแล้วก็มากันตะก้าวพระเจ้าแหละเพราะฉะนั้นศิทธิฐานราชกุมารสั่งให้ผูกมาแล้วก็เลยหลายให้หาไปดูสักหน่อยว่าลูกเป็นไงคนไม่เคยมีลูกอ่ะเออไปดูลูกขักหน่อยดูว่าเออ ก็เข้าไปในปราสาทของพระนางพิมพาเข้าไปในห้องพระบันธมเพราะเคยเข้าออกอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมก็เข้าถูกกระสืบ่อยห้องไหนไม่เผือเข้าห้องส่วงเพื่กระบุญแล้วถ้าท่านทำนานเนี่ยเพราะท่านเข้าออกบ่อยท่านก็เข้าไปเข้าไปในห้องพระบันทมก็เห็นพิมพากําลังนอนให้นมลูกเออก็จะเข้าไปจูบลาสักทีอ็จะเข้าไปจูบลาสักทีเนี่ยเอก็ประกอบว่าเห็นนางสนมกำนันต่างๆท่นอน บางนอนกริ้งนอนงายน้ำลายไหล ย, ยืดหยาดบางก็กลืนคื่อดขาดดูไม่สะอาดสะอาดบางนอนผ้าลุยผ้าหลุดบางนอนมุดตกหมอนบางเหลือแต่กายล่อนจร ไม่อายท่อนสังขารนี่ล่ะพอนอนหลับไปแล้วไม่เรื่องน้ำลายหลายเคี้ยวขวัญกอดกอดอดเออดูใบสะอาดสะอานโอ้โหเหมือนป่าช้าผีดิบปวยเออศิทธทชนเลยเพนออกเลยไม่เอาแล้วนี่รู้จักสิทธิชนหรือเปล่าล่ะเออสิทธิสารเอกุมานไปเหตุนาการใครจะไปจูบปลาพิมพาที่เลยไม่เอาเลยมากษตกากรล้องมาทั้งเรื่อยเรื่อยสติ เนี่ยถ้าก็เลยหนีออกบวชเพราะนั้นเมื่อออกบวชเข้ามาแล้วเนี่ยจากการที่อยู่ในวังอเอออาหารขนาดไหนข้าวปลาอาหารขนาดไหนล้วนแต่ประนีตล้วนแต่เลิศรสเออเพราะฉะนั้นท่านทิ้งออกไปได้ท่านหลละออกไปได้ข้าวปลาอาหารที่หลับที่นอนแต่แล้วท่านไปลุกขมูเหลเสนาสนางไปนอนโคนไม้กูหาทะยังไปนอนตามทําเห็นไม่ยังไปนอนตามเงื่อนผา ไปนอนจะดืนน่ะยุงจะกินอะไรต่างา ก, ก็ไม่รู้ล่ะสารพัเสีอย่างผ้าผืนเดียวอะผมนี่ทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งแสบทั้งคั น, นอะไรต่างาแล้วข้าวปลาอาหารหรือก็บอดแสบเออเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ท่านเพียบพร้อมหมดเพื่อมาเป็นนาโถนาถะที่พึ่งให้พวกเราเนี่ยท่านสงสารพวกเราท่านรักพวกเราท่านเป็นห่วงพวกเราเป็นห่วงพวกเราจะไม่มีที่พึ่ง เป็นห่วงพวกเราจะหลงทางอันยาวนานนักไม่มีที่สิ้นสุดนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสกับพิสุทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอเห็นยอดยอดเขาเวปุระไหมในบรรจัเทวินนครเนี่ยที่กรุงราชคฤึ่เนี่ยมีภูเขาห้ายอดภูเข า, ขาเ อ, อีสีคิริภูเขาเวปุระต่าภูเขาที่จะกูดและภูเขาเอะไรยุ่งจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอเห็นไม้ภูเขา ยอดเขาเวกูราที่สูงก็เพื่อนเนี่ยเห็นพระเจ้าค่ะโอ้โหขออภัยเถอะไม่ดื่มมั้งขออภัยนะจะหาไว้งั้นอย่างเพราะอะไรมันเป็นปฏิปัติกันกเดี๋ยวก็ต้องปวดประทว้วะไงเออเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้จักหลักสูตรมันต้องตัดกําลังเออมพรฉะนั้นเกิดเดี๋ยวขออาตมาขอไปฉีดหน่อยนะเออขออภัยนะเอาไปดื่มไปเลยไปดื่มไปแบ่งแบกันแบ่งกั น, กนเนี่ยต้องตัดกําลังมันเออเราต้องรู้จักเออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย พิสุทั้งหลายเธอเห็นยอดเขาเวปุระไหมเห็นพระเจ้าข่าในบัญจาขีนศคอนยอดเขาเวปุระนี่สูงกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงบอกว่าดูก่อนพิสุกทั้งหลายเธอเวียนไหวตายเกิดในวตฏสงสารเนี่ยชาตินั้นเกิดเป็นช้างชาตินี้เกิดเป็นม้าชาตินี้เกิดเป็นงัวชาตินี้เกิดเป็นควายชาตินี้เกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรต่างเกิดเป็นคนเป็นอะไรต่าง กระดูของเธอแต่ละชาติแต่ะชาติที่เธอเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยเมื่อกวาดรวมรวมรวมรวมรว ม, รวมเขาแล้วเนี่ยสูงกว่ายอดเขาเวปุระอีกนี่ฉันว่าอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าสลดน่าสังเวชว่าเราเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่เป็นว่าเป็นคนทุกชาติทุกชาติอย่างในเสอือแปลงอยู่เนี่ยแกถูกแทงปั๊บแกก็มาเกิดปั๊บนี่แกก็เลยจําได้นี่อย่างนี้ ก็เลยมาบวชเพราะว่ากลัวผู้หญิงเลยผู้หญิงมันฆ่าตายก็เลยเกลียดผู้หญิงเลยก็มาบวชก็อยู่ที่วัดบางคมิ้นเป็นเจ้าวาดตอนนี้จะมราพลรวยังไม่ทราบเนี่ยก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วจากนั้นก็อีกเ <c oughs> จ้าคุณชดเจ้าคุณเทพสุธาจารย์เจ้าวาดวัดวิลาลงกรปากช่องนครราชสีมานี่แล้วก็หลวงปู่ดุลพระราช พระราชฎุ์ทธาจารย์หรือหลวงปู่ดูลย์นุลโลวัดบูรพารามจวัสสุรินข้านี้ <c oughs> หลวงพ่อโชติเนี่ยพระเทพสุธทธาจารย์วัดเวลารองค์กรเนี่ยคราวนี้ทําไมจึงชื่อวัดวิชลารองกร์อันเป็ชื่อของฟ้าชายคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เอ้อนางทิพย์นิยมเหตุนางทิพย์นิยมเหตุเนี่ย <c oughs> แกเป็นเจ้าของยาสรรศรรศีกวันวิเศษนิยมอ่ะพอพูดยาฤกษ์วิีศษนิ ย, ยมรู้จักกันแล้วเนาะ เนี่ยนางทิพย์นิยมเหตุเนี่ยบ้านอยู่พักขนงโรงงานก็นอยู่พักขนงทางหลวงพรกพักขนงนั่นแหละทาไปก็อยู่ซ้ายมือโรงงานยาธิกวันพิเศษนิยมนางทิพย์นิยมเหตุครานี้เมื่อตัดถนนปากช่องสระบวิ่เลี้ยวขวาตัดไปนคะรสิมาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการจับที่จับทา ก, กันพ่อของนางทิพย์นิยมเหตุก็จับที่ไว้ประมาณสามร้อยไล่ ก็เลยเมื่อพระเบิดพระรองมราสาธิราชเสด็จกลับมาจากต่างประเทศเอานางทิพย์นิโมนเอกก็เลยสร้างวัดถวายก็เลยถวายขึ้นเป็นวัดของสมเด็จพระบรมก็เลยชื่อวัดวิลาลงกรครานี้ก็เลยจะหาพระที่มีคุณธรรมในการปฏิบัติธรรมจะสมควร น, นิมนต์อาจารย์ไหนมาเป็นเจ้าวาดก็เลยได้พิจ า, ารณากันเห็นว่าเออ หลวงปู่โชอเนี่ยคุณณสัมปโนเนี่ยเจ้าวาดวัดสุทธจินดาจังหวัดคนครราชสีมามาเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าจังหวัดนครราชสีมาด้วยมาเป็นเจ้าวาดท่านก็ได้เรีกว่าเป็นพระเทพสุทธาจารย์จนกระทั่งพระเทพปรุาจารย์แต่ว่าหลวงปู่โชอเนี้ยความเป็นมาของท่านก่อนที่จะมาบวชเนี่ยท่านเป็นเด็กเกิดมาชื่อโชด ท่านจำได้หมดเลยนี่ท่านจำได้หมดเนี่ยชาติที่แล้วชื่อนายเหล็งอันนี้นายเหล็งเนี่ยก่อที่จังหวัดสุรินทร์ก็เป็นชาวขาเขมรก็อะไรปรากฏว่าเดินทางมาค้าขายด้วยทางเกวียนมาค้าขายที่เมืองนครราชสีมา ภาษาสุรินกับภาษานาครสิมาเนี่พูดกับคนละภาษาแต่นายเหลงนี่สามารถพูดได้เพราะเป็นนายห้อยผู้ภาษานครสิมาได้คราวนี้นายเหลงเนี่ยที่บ้านของตัวเองเนี่ยก็มีน้องสาวน้องสาวแกก็เลยอีหมาอีหมาเรียกน้องสาวว่าอีหมาอีหมาน้องสาวที่แกรักมากก็เลยอีหมาอีหมาคราวนี้นายเหลงมาค้าขายเมืองโคราชเมืองนครสิมาเนี่ยก็สามารถพูดภาษาโคราชได้ ก็เดินทางรอนแรมตามป่าตามดงอะไรสมัยนั้นก็เลยปรากฏว่าเป็นไข้ป่าไข้มาลาเรียกลับมาถึงบ้านก็มานอนสมอยู่เออพอดีเลยอีหมาน้องสาวในบ้านคนาเมื่อบ้านเขาอยู่รั้วติดๆติดกันอ่ะอีหมาน้องสาวก็พอดีเลยกําลังโอ้โโอ้โโอ้โหโขนเชือกฮะ เออกำลังโหนเชื truthful, uh, uh, ens, uh, ่ย uh, ด uh, uh, uh, ้วยความสุขความสบายแกโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยเออเออกำลังโอ้ยโอยจะออกลูกพอดีเออควายในเหลงนี่คนก็ไปดูไปดูไข่ดูเห็นแกนอนแบบอยู่นั่นแล้วเออป่วยอยู่นั่นเออก็เลยเขาประกบว่าทั้งอี้แง่แง่ขึ้นมาเออชาติพตัวขาแง่แง่ขึ้นมาเขาก็เฮกันไปลงจากเรือนหลังนี้ที่ดูในโชคแกเนี่ย เฝาใในช่ดนี่ยเไปบ้านอีหมามันไปดูลูกมันออกลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายควายในชดน่ด น, น, น, นี่เหมือนกันไอ้ในแหล่งนี่ก็เหมือนกันเพราะจิตมันห่วงทั้งเนี่จิตมันห่วงว่าอีหมามันออกลูกผู้หญิงผู้ชายว่าจะไปดูมันหน่อยสิหลุดออกไปเลยเออตายเลยตายเลยหลุดออกไปก็ไปดูเออไปดูเห็น อีหมาตัวเองนอนอยู่ระกองไอ้ดีไอ้กระดานไฟแล้วก็จากนั้นเด็กก็นอนกระด้งก็น่ารักดีเออพอเห็นเท่านั้นนหละนึกชอบเท่นั้ น, นแหละแว็บเข้าไปเลยแวบบเข้าไปในเด็กนั่นเลยไม่ได้ไปไหนเลยลือทื่อเงนจะพูดก็พูดไม่ออกนอนอยู่งั้นแหะเออเข้าไปสิงในร่างนั้นเลยก็เลยพอนั่งขึ้นมาพอพูดได้ เรียกแม่ตัวเองก็ไม่เรียกแม่แล้วเรียกอีหมาอีหมาทาไมมึงเรียกกูเยี่ยอ้าวถ้ากูพี่ชายเมื่อกูไอแหลงอย่างนั้นอย่างนี้ก็อีหมามึงน้องกูอย่างนี้เขาก็เลยกลัวเป็นอะไรต่างๆนั่นต่างเขาเลยตีไม่พูดแต่ก็อดจะพูดไม่ได้เพราะเผยจะอีหมาเผยอีหมาไม่ได้ก็เลยโดนตีโดนอะไรเขาทำเอากลับผงกับหัวทําพิธีกลับตัวกับเนื้อกับอะไรต่างเพื่อไม่ให้นั่นให้ลืมอ่ะแต่มันไม่ยอมลืม ในเหล่งที่มาเกิดหมายชื่อในโชคนี่ไม่ยอมลืมมันไม่ยอมลืมอ่ะมันจําได้เออมันจําได้แต่พูดไม่ได้เพราะพูดทีไรโดนตีไปโรงเรียนก็โดนตีเพื่อนก็นล้อก็เลยไม่พูดก็แลยอายุเจ็ดขวบหลวงปู่ดูงวัดบุรพารามสุรินเนี่ยก็เป็นพระรหันต์เหมือนกันเ ป, ป, ป็นลูกศิษย์ปู่บ้านรุ่นรุ่นแรกหลวงปูด่ดวงท่านรู้ท้านก็เลยเดินทุ ด, ดงไปไปเจอก็ไปถามไปอะไรต่างเออมึงอยากบทเนไมไหมล่ะ อยากบวชก็เลยเอามาเลยเอามาบวชเนรเอามาบวชเนนท่านประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเออเฉพาะตนแล้วหายสงสัยในตนเองแล้วเออแล้วมาเป็นเจ้าวาดพระเวรังกรเพราะฉะนั้นท่านมรณาภาพเมื่ออายุเจ็ดสิบกว่าหลวงปู่ดูลายุเก้าสิบกว่านี่หลวงปู่ดูนงะเอาท่านเป็นเป็นเป็นเออท่านก็เป็นประธาน ถูกไฟเผาศพเิด้วยไปเอามาบวชได้อายุเจ็ดขวบแล้วพระสิเจ็ดสิฝ่ามรรคภาพหลวงปู่ดูลย์ก็ไปเผาสพเพิด้วยดูสิเห็นไหมล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่ดูลยก็ไปเผาศพเพิด้วยเพราะฉันนั้นอาตมาเคยได้ความธรรมของหลวงปู่เทพสุทธาจารย์หรือเจ้าคุณชดคุณณสัมปโนวัดวิญญาากรปอดช่องในงานวางศิลาฤกษ์พิษพันหลวงปู่มั่นที่วัดสุทธาวาส เมื่อเดือนพฤศจิกาวันที่จําไม่ได้พศ .2116 หลวงปูเ่เทพไอหลวงปู่ท่านเทศบุญสลาเนี่ยพระเน่งเป็นในร้อยญาติโยมนี่โหแน่นสลาไปหมดอาตมาก็คว้งท่านเทศท่านเทศอะไรอะไรอะไรต่างๆไปไม่ได้จําเลยจําแค่นี้นี่จําแค่นี้ท่านเทศอะไรต่างมากมายไม่ได้จําแต่จําแค่นี้ จงรู้จักกว้างความสบายธรรมากลางความทุกข์จงรู้จักสร้างความสบายธรามากลางความทุกข์เอ้ยไม่ใช่จงรู้จักสร้างความสงบธรรมากลางความวุ่นวายนี่จํากันหน่อยนะอาตมาความปั๊บเดียวท่านจาได้เลยแต่นี้ของเก่าเนี่ยว่ามารีไซเคิลมันก็เลยสนุกทัาหน่อย จงรู้จักสว้างความสงบธรรมการความวุ่นวายจงรู้จักสร้างความสบายธรรมการความทุกข์นี่ตั้งแต่พศสองพันหรอยห้าสิบสองพร้อยสองพันหนรอสิบหกและจนถึงสองพันร้อยห้าิบสองนี่ยังจําได้เลยเห็นไหมละ่ะเนี่ยด้ความท่านพูดเนี่ยจงรู้จักสร้างความสงบธรรมการความวุ่นวาย จงรู้จักสร้างความสบายสมามกลางความทุกข์นี่หลวงปู่โชดคุณนะสัมโนหรือในเหริงกับชาติมาเกิดแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยท่านเทศให้ฟังรู้จักสร้างความสงบธรรมกลางความวุ่นวายจงรู้จักสร้างความสบายธรมกลางความทุกข์เป็นไงสมควรไม่มีคุณค่าไหมเนี่ยมีคุณค่าไหมเหรอ ทำไงเราถ้ามากลางความวุ่นวายจงเยอะเราจะสร้างความสงบถ้ามากลางความวุ่นไวายได้ทําไมเราจะสร้างความสบายถ้ามากลางความทุกข์ได้นี่ใจความสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้อุตส่าห์เอามาไกลนะเนี่ยเอามาฝากพี่คนนี้มีรักมาฝากหรือไงจเยาวงั้นเหรอเฮ้ยคนนี้เอารักมาให้กันเหรอเออเพลงมาลองกันนะ่ะเนี่ย เอาคุณธรรมคุณงามความดีโอุู บ, อบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายมาให้มาฝากเพราะฉะนั้นมันเป็นอรรมตะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ดูลนซึ่งเป็นอาจารย์ของปู่โชตไปอยู่ในท่านพนมมืออยู่เนี่ย <c oughs> ปู่ครับผมขอฟังทำหน่อยครับหลวงปู่ดูลนท่านกระจับมือเราก็พนมมือท่านกระจับมือท่านเทศว่าอะไรต่างๆยังไงต่างๆไม่รู้หูมันอื้อไปหมดได้ยินอยู่แต่ว่า รู้จิตเห็นจิตแม้จิตก็สักแต่ ว, ว่าจิตไม่ใช่จิตนี่หลวงพูดูลเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเทศอะไรต่างๆมากมายจําไม่ได้จําได้แต่ว่ารู้จิตเห็นจิตแม้จิตก็สักแต่ ว, ว่าจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาจะพูดกริงอาตมากม็มองนู่นมองนี่อาตมารู้จิตที้อตมาตลอดเวลามันรู้ตลอดเวลารู้ว่าชอบใจคนไหนบ้างคนนี้แก่ไปไม่เอา คนนี้ผอมไปแมวคนนี้มองดูท่าทางว่าเขามียตางอโนแฮปมันนี่เออมันรู้อยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมล่ะตามมองนูนมองนี่แต่หูฟังเรื่องต่างๆแล้วฟังเสียงตัวเองพูดแต่มันรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละเรียกว่าชาคโรเป็นผู้ตื่นอยู่อาตาปีมีความเพียรเท่งอยู่นี่มันจะผิดทางได้อย่างไรเพราะท่านสาธาณทำคำสังสองของพระองค์ท่านเนี่ยมีเท่านั้นคือให้ออปนิกลน้อมเข้ามา น้อม <N> um> เข้ามาที่ไหนน้อมเข้ามาที่ใจนี่ถ้าหาวก็ตามใดเราน้อมเข้ามาที่ใจมี ส, ต, มสติความรู้ได้สมบัติยัจฉาความรู้ตัวมันมีความรู้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้นั่งอยู่มันปวดมันคันมันแสบเนี่ยจะมารู้ต่อเวลาทั่วตัวร่างกายมีความรู้แต่ว่าไม่ทุกมันปวดมันเมื่อยมันแสบมันคันมันร้อนต่างแต่ก็ไม่ทุกเพราะรู้จักสร้างความสบายสร้างความสบายสมบัติการความทุกเนะเออ นี่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยรู้จิตเห็นจิตแม้จิตสักตะว่าจิตไม่ใช่จิตก็รู้แต่ว่าอาการของมันเป็นอาการของมันชนิดหนึ่งมันเป็นอาการของมันชนิดหนึ่งก็ตรงคําว่าสุญยะเนยคําว่าสูญยญตาอย่างนี้หรือคําว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่มีอะไรสักอย่างสักแต่ว่าอาการของมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตกับกายกายกับจิตเนี่ยมันอาศัยกันอยู่ แต่แล้วพอ น, นั่นมันแยกออกจากกันเนี่ยมันแยกออกจากกันจิตตัวนี้ไปไหนจิตตัวนี้ไม่เคยตายอะไรไม่มีจะยิ่งใหญ่กว่าร่าจิตจิตมันอยู่ที่ไหนมันห่วงที่ไหนมันก็ไปที่นั่น <c oughs> แว บ, บเดียวแวบบเดียวเหมือนกับจิตของผู้ชดเนี่ยในแหลงเนี่ยพผลลัพธ์อย่างล่าปุ๊บ ก, ก็บไปหาน้องสาวหมาก็ไปเกิดเป็นลูกเลยเข้าไปในท้องเลยแล้วผลสุดท่านก็สามารถเจอครูบาอาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นจริงคือลุงปูดูลก็สามารถเข็นให้ท่าน คนได้เหมือนในช่างตีเหล็กไงเหมือนอย่างแม่อตมากันเนี่ยอตมาตีแม่อตมาอตมาเข็นแม่อตมาจนกระทั่งไปที่สบายสบายแม่อตมาว่ากันเหลยยอมยมจะไปที่ไหนไปที่สบายสบายแม่อตมาไปรักษานุ่มขาวอมขารักษาศีงอยู่ที่ขอนแก่นบอกน้องสาวคนนี้อ๋อเอ๋อ น้องสาวอาตมาคนนี้มันสามารถรับปรลงต่างๆนั้นไปแปลกๆได้มันไปทําบุญกับอาตมาไปท่าป่าอาตมามากลับมาปุ๊บไม่เคยฝันเห็นแม่เลยตั้งแต่แม่ตายแม่ก็นุ่งขาวอมขาวมาเลยเข้ามาปุ๊บน้องสาวก็จะวิ่งขึ้นไปกอดโอ้ยแม่ไปอยู่ที่ไหนไถึงแม่จังเลยแม่บอกว่าอยากเข้ามาลูกอยู่กระทันแล้วไม่ยอมให้ถูกตัวแม่ไปอยู่ที่ไหนแม่ไปรักษาศีลอยู่เขาที่ภูเข า, ท, ขาที่ขอนแก่นอาตมาพิจารณาอ๋อขอนแก่นมันไม่เกิดแล้ว嘛เฮะ ก็ดูเสาบนธารสิเสาแก่นตะต้นตะต้นเอาน้ําไปรดมันเอาปุ๋ยไปใส่มันจะงอกไหมอาตมาก็ตีความหมายออกอ๋อก็แม่เราตามที่ว่าเออทุกขาปฏิปทามันเห็นทุกมันเห็นทุกอะไรคือสังขารี่ล่ะก็ผัวก็ช่วยไม่ได้ลูกก็เก้าคนก็ช่วยไม่ได้เออแต่ละคนก็มาล้อแม่อยู่างเงี้ยแม่เป็นไงบ้างแม่เจ็บไหมเจ็บแม่หิวไหมหิว แม่ห่วงผมไม้ห่วงแม่ห่วงหนูไม้ห่วงไปมดนี่เอเออ่ะฝ่ายพ่อมาก็กีบเป็นไงบ้างเจ็บปวดแรงต่างก็มากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม่ของปู่เนี่ยนิมิตตังสาธโูปานนางกตัญญูกตะเวทิตาความกัตัญยูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายคนดี เพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนดีไหมนี่เราอยากจะเป็นคนดีไหมเราอยากจะเป็นอภิชาตบุตรไหมบุตรที่ยิ่งกว่าพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นบุตรไม่มีอยู่สามอย่างอภิชาตบุตรหนึ่งอนณชาตบุตรหนึ่งอวัชาตบุตรหนึ่งอภิชาตบุตรเป็นอย่างไรเล่า <c oughs> อภิชาตบุตรนี่ก็คือลูกที่ยิ่งกว่าพ่อแม่อ่ะพ่อแม่ไม่ได้บุตเนี่ยอย่างพวกเธอเนี่ยที่มานั่งกันเนี่ย พ่อแม่เคยมานุ่งเขาห่มเขากำลังหรือเปล่าถ้าหากว่าพ่อแม่มม ไ, มไม่เคยนุ่งเขาห่มเขาไม่เคยรักษาศีลไม่เคยนุ่งเขาเขาเลยเธอเข้ามาอย่างนี้ถือว่าเป็นอภิชาติตบุตรแล้วลูกที่ยิ่งกับพ่อกับแม่นี่เพราะฉะนั้นควรภูมิใจเราได้มาทาําความดีและทาําความดีเหล่านี้เราทารําความดีเนี่ยทําดีให้ใครทําดีให้ตัวเราเองนั่นแหละแต่ว่ามาแท้จริงคือทําให้พ่อให้แม่เพราะอะไรล่ะที่เรามานั่งอยู่นี้ได้อาศัยพ่อสายแม่เป็นแดนเกิด เราไม่ได้เกิดมาจากพวกเขาเรากออะไรมาหลยเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นการใดเวลาใดณนะสถานที่ใดเราแขนสองขาสองทิศหนึ่งของแม่เนี่ยกราบพระเราตอบคุณทอนแทานคุณบนพ่อแม่แล้วนี่เรานั่งสมาธิแต่ละครัง้งแต่ละคราวตามในป่าในเขาสถานที่ใดก็ตามเรามีสติความลึกได้การใดเวลาใดสถานใดตามบนรถบนลานในห้องน้ําห้องน้ำก็ตาม เรามีสติรู้ต่อเวลามีพุโทโธพุธโทโธเราได้ตอบแทนมุงคุณพ่อแม่แล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านี่เรียวกว่าอาภิชาตบุตรคราวนี้อาชาตบุตรเป็นอย่างไรเลาา่าอาชาตบุตรนี่ก็คือเสมอพ่อเสมอแม่พ่อไม่เคยบวชพ่อไม่เคยรักษาศีลพ่อไม่เคยนุ่งขาวห่วมขาวนี่พ่อไม่เคยบวชพระบวชเนนเราก็ไม่เลยบวชเป็นพ่อไม่บวชเราก็ไม่บวชมั่งก็เป็านอาชาต บ, บุตรเสมอพ่อเสมอแม่คราวนี้อวชาตบุตรเป็นอย่างไรเลา่า พ่อแม่มันบวชพ่อแม่ไปปฏิสังขทานลูกมันตายตายในสันติกา้าผับเอพ่อแม่มไปนั่งสมาธิตายในสันติฆาตุดงปรากฏวันที่ไหนได้นั่งซะตายเลยเมื่อคืนมันที่สลายแล้วคืนมันที่สิบผ้าเออมิถุนา ย, ยนพอสองรสบสองปรากฏวันที่ไหนได้พระครูสุชาติยอมนอนนั่งตายเลยเออนี่แหละเนี่ยอภิชาตบุตรเออ ไม่ใช่ว่าพ่อแม่นี่พารักษาศีลมาพ่อแม่พานั่นมาพ่อแม่พาบวชพาอะไรต่างมาลูกไม่เอาไม่เอาเลยพ่อแม่ส่งไปลงไปเรียนก็ไม่เรียนไปเที่ยวเล่นเที่ยว ก, กินเที่ยว อ, อะไรต่างไม่เอาเรื่องราวเลยไม่มาพึ่งประดับทำข้าวัดเข้าวาใส่วงใส่ป่าก็ไม่เอาไปทําเลยทาแต่ความชั่วทำแต่ความเดือดร้อนมาให้พ่อให้แม่เรียกว่าอาวชาตะบุตลูกที่เตี้ลูกที่ต่ํากว่าพ่อแม่เพราะอาจารมานี่พอมาได้ศึกษามาได้บวชเข้าออจากการที่ไม่รู้แม่เข้าใจก็พยายามจะทํา อะไรที่พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยพระอรหันเนี่ยท่านว่าเสมอกันเออพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าทําบุญกับพระุทธเจ้าทําบุญกับพระุทธเจ้าเคารพพระุทธเจ้าทําบุญกับพ่อกแม่เคารพพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่นี่เอตัมมังเขาพูมังสูงสุดบุญสูงสุดคือได้ปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่กราบพระพุทธธรรมประสงค์ทําบุญกับพระพุทธธรรมประสงค์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยปฏิบัติพระพุทธธรรมประสงค์อะไรต่างๆ บุญสูงสุดคราวนี้จะทำลายพระพุทธธรรมสงส์ล่ะเนีทุบพระธโรกเลือยพุทธโลกเผาพุทธโลกอะไรต่างพังวัดพังวาพังเจดีย์อะไรต่างล่ะเนี่ยทำลายพระศาสนาก็ทำลายพระพุท ธ, เ, ททธเจ้าแล้วข่าพระรหันคราวนี้อนันตรดิกรรมเนี่ยอนันตรดิกรรมกรรมมันหนักตกนรกลูกเดียวตกนรกเวจีลูกเดียวเหมือนพระเทวทัตอา้ามีอะไรบ้างมาตาไปดูฆ่ า, ค, าคือข้าพ่อข้าแม่ข้าพ่อฆ้าแม่นี่ ออเอเวจีมหารกสถานเดียวปิดทางมรรคผลนิพพานเออข้าพระอราหันต์ทำพระเจ้าให้พ่อเลวหิตอย่างพระเทวทัตลงรบอเวจีพระเทวทัตแล้วก็จากนั้นก็ทําส่งให้แตกกันทําพระใหทะเลาะกันไม่ถูกกันยุยงให้พระทะเลาะกันแตกกันไม่ถูกกันเนี่ยท่านเก่ า, าเป็นอนันตรยกกรรมโทษหนักแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่เนี่ย นี่มิตังสาตะลู ป, ปานัง ก, ตกัตันยูกตเวทิตาคว้าง ก, ตกัตันยูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นมาตาปิตุอุปถานังเนี่ยปฏิบัติพ่อแม่ของตอนให้เป็นศุขแล้วสังเกตหมดเลยคนไหนเนี่ยถ้าหากว่ากตัญยูต่อพ่อแม่เคารพพ่อแม่ my, กตันยุต่อพ่อแม่อุปถามดูแลพ่อแม่ไม่ทิ้งพ่อแม่โดยมาก จ, ากจะเจอเป็นคนเจริญเป็นคนไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ได้เห็นมานั่นมาได้นั่นมาได้กล้าพูดกล้าเล่ากล้า ผู้เรียวังได้เห็นมาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราได้เกิดกันมาแล้วชาติหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตมันดีดไปแล้วถ้าอนาคตพวกนี้มันก็ยังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันนี้ให้เรามีความรู้มีความรู้อยู่ชาโครเป็นผู้ตื่นอยู่อาตาปีมีความเพียรเพ่งอยู่นี่แหละพุทโธไม่ผิดทางไม่หลงทาง ขื้นชื่อว่าเราได้ปฏิบัติบูชาไม่มีการบูชายิ่งกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นจึงควรภูมิใจควรตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเองเหมือนกันได้อ่านประวัติได้ศึกษาจากของปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆมาและจากการเพื่อปฏิบัติมาจึงหายสงสัยในพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่มีจริงพระเจ้าท่านทำอย่างนี้เมื่อเราทําไปตามอย่างนี้แล้วเรได้กับผลจริง ติได้ถานและจกมาท่านไปศึกษานักกูบาอาจารย์ต่าง ๆ, างๆทั้งหลายอย่างหลายวิธีเออพนั่งสมาธิหลับตาทีก็เออลาหุ่เป็นไงวะเออแงออกมาแงออกมากูขี่ม้าออกบวชแตแล้วเออพิมพาป่านี้มีผัวใหม่อย่างวะเออกูหนีออกมาเนี่พิมพาอย่างอ้ออย่างสวยอย่างนิ่งนึงอยู่เลยเออพิมพามีผัวใหม่ยังว่าพนั่งหลับตาไปก็คิดถึงพิมพาลาหุ่นคิดถึงประสาทราชวังเออ จะเป็นอย่างไรบ้างประาราชวังห้องนองห้องนอนห้องพระผู้ชมเราจะเป็นอย่างไรบ้างก็คิดไปจิตมันก็ไม่สงบมันก็ไม่ระงับมันก็ไม่ตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นไปศึกษาในนักครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายแหล่สายตำนากหลายครูบาอาจารย์จิตก็ไม่ตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นก็เลยมาพิจารณาลมหายใจเข้าออกนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยก็มาพิจารณาลมหายใจเข้าออกเนี่ย จิตที่มันแสสายเป็นอดีตบ้างจิตที่มันแส่าสายนาคที่ยังมาไม่ถึงบ้างจิตที่มันแสสายนาพิมพาบ้างจิตที่มันแสาสายเป็นลาหุนบ้างก็เลบึงเข้ามาเรียกโอปริโกน้อมเข้ามาพิจารณาลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกที่เรียกว่าอานาปานสติคือมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเขา้ามีสติรู้อยู่กับลมหายใจออกนี่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นจิตที่มันแส่สายเป็นเรื่องอดีตอนาคตไปในพิมพาราหุนเมื่อได้โดนสติกำชับกลบลมหายใจเข้าออกจิตที่มันแส่สายดิ้นลมไปอดีตอนาคตมันก็ค่อยสยบตัวลงมาสยบตัวลงมาสยบตัวมันเหมือนเด็กที่นอนเปรเด็กที่นอนเปรเนี่ยมันร้องแงแง่แง่พ่อแม่ก็เอาขวดนมใส่ปากหรือนมยัดปากฉะนั้นใส่เปรย์แง่งเ อ, เ อ, เ อ, เอ เด็กเราที่ร้องแง่แง่มันก็ค่อยนั่นไปนั่นไปมันก็สงบมันก็เงียบมันก็หลับไปอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันจิตของเราก็เหมือนกันที่มันแต่สายไปนาดีแต่สายไปนาคไปในเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายแหละนั่นแหละพอไอ้รับการอบรมด้วยการผูกด้วยสติอยู่กับลมหายใจเขาออกจิตมันก็สงบระงับตั้งมั่นมันตั้งมั่นคืออะไรล่ะมันตั้งมั่นก็คือสมาธิน่ะสิ จิตมันก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วจากนั้นจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเป็นไงล่ะมันก็รู้ตามฟานเป็นจริงเลยความเป็นจริงต่างทั้งหลายแหละมันก็จะไหลออกมาเองเนี่ยเราไม่ต้องไปแสะสายมันมันจะแป๊บของมันขึ้นมาเองเพราะเราทุ่งใสเรื่องอะไรข้องใจเรื่องอะไรมันจะแป๊บมันออกมาเองเนี่ยพญานุษย์ใสเรื่องอะไรต่างมันเข้าใจแป๊บมันออกมาเองเพราะนั้นปูโคบาจาะต่างๆที่ท่านบรรลุแล้วนั่นแล้วเนี่จิตท่านมันใสไว้หมด งั้นเราคิดนึกอะไรต่างเรื่องอะไรเรื่องอะไรต่างถ้าก็รู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอะไรต่างๆได้อยู่ท่านมาจึงได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจึงทําให้ไม่ท้อถอยน้อยใจอะไรต่างๆจึงมีความความฝ้าเพียงความเพียรพยายามนี่แหละบรรดาเราท่านทั้งหลายสาธธรรมคำสอนครั่งพระองค์ท่านเนี่ยยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่ล้าหลายสมัยอย่าไปคิดว่าเข้าวัดเข้าวาัดข้ามคลื่ เออเขาววัดข้ว่านเเรื่องของคนโ บ, ร, บ, บราณเขาอย่างนั้นอย่างนี้นอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของเราเอง อ, ะอ่ะฮะก็มันเป็นเรื่องของเราะ่ะทําไมแล้วเราจะไม่พยายามภาคเพียรเราไม่พยายามพยายามเนี่ยได้ภาคเพียรมาได้นั่นมาเพราะฉะนั้นเนีย่ยในสัจคิกัรคะทุดงเนี่ยมันอยู่ในทุดงสิบสามทุดดองแปลว่าอะไรทุดงทุตังคะเออภาษาบาลีไม่มีตัวดอเด็ก มีแต่ตัวต่อเต่าเพราะฉะนั้นทุดงเป็นภาษาไทยทุตังคะแปลว่าอะไรแปลว่าทรมานแปลว่าการย่างการทรมานทรมานอะไรย่างอะไรทรมานกิเลสย่างกิเลสให้เล่าร้อนกิเลสของเราเป็นยังไงกิเลสของเรามันอยากกินกิเลสของเรามันอยากนอนกิเลสของเรามันอยากได้เครื่องนุ่มหมเยอะๆเครื่องหนุหม่มหอมสวยๆงามๆ กิเลสของเรามันอย่างนั้นกิเลสของเรามันอยากอ ย, กอยู่ที่สบายที่สวยบ้านช่องเรือนกูติอะไรต่างๆที่สวยอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุ ด, ดงเพราะฉะนั้นทุ ด, ดงทุตังค์้าเนี่ยทรมานกิเลสให้เราร้อนยากกิเลสให้เราร้อ น, รรอนทรมานกิเลสเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยทุดงเนี่ยมีขี่หมวดมีขี่ข้อทุดงนี้มีสิบสาข้อสี่หมวด ม, มีหมวดอะไรบ้างงมวดที่หนึ่งก็ว่าได้เครื่องนุ่งห่มหมวดที่หนึ่งว่าได้เครื่องนุ่งห่มเพราะนั้นเครื่องนุ่งห่มนี้อ้าวถ้าหากว่าเป็นฆราวาสเราก็มานุ่งขาวห่มขาวเสียอ้าวพระเราก็ห่มจีวรผืนเดียวเสียถือทุดงขววัดผ้าสามผืนเสียอย่างนี้แล้วจากนั้นก็ตามมีตามได้หรือใช้ผ้าบางคุณไปเที่ยวหามาตามป่าตามยงตามที่ก็ทอดประป่าอย่างนี้เออเครื่องนุ่งห่มตามมีตามได้นี่เครื่องนุ่งห่ ม, ม แล้วจากนั้นก็หมวดที่สองว่าในเรื่องอาหารอาหารจะกินมือเดีวยวที่ว่าเอกาสนิกังคะนานาสนะโภชนังนิขิปปามิเอกาสนิกังคังสมาธิยามิสมาทานว่าอย่างนั้นแต่จริงไม่ต้องสมาทานก็ได้อยู่กับผู้ขาวมาแล้วถ้าบอกไม่ต้องสมาทานเฮ็ดบนโลกต้องสมาทานอย่างอย่างเวลาอย่างวันนี้เหมือนกันตามหลักไม่นอนเนี่ยก็ถือคู่ดงข้อ13แต่เอ๊ เนสัตทิสังฆะทุดองตามหลักก็ต้องสมาทานใช่ไหมล่ะสมาทานทุดองข้อสีบสามเนี่ยทั้งหมดจุดสามข้อเนี่ยมีข้อเดียวเท่านั้นที่ทรมานที่สุดคือข้อนิสัตทิกังฆะทุดงไม่นอนเพราะฉะนั้นสมาทานข้อนิสสัตทิสังฆะทุดงว่าไงเสยยังนิขิปปามิเนี่เสยยังนิขิปปามิเสยยังนิขิปปามิเสยยังนิขิปปามิ อะไรจําไม่ได้แทเพราะไม่ได้สมาทานเสยยังนึกขิดปามิเดี๋ยวนึกออก <c oughs> เดี๋ยวนึกออกนะเพราะฉะนั้นเออไม่ต้องสมาทานเฮ็ดมันโลดูขาวว่างนี้เลยไม่ต้องไปสม า, าทานแล้วยังเฮ็ดมันโลดเท น, นี้กูไม่นอนก็ไม่ต้องสมาทานแล้วคท่ น, นี้กูจะไม่นอนอย่างนี้อก็ตั้งสัจจะว่ากู้จะไม่นอนละคืนนี้อย่างนี้ก็เป็นทุ ด, ดงข้อในสัจที่ครับทุ ด, ดง สียอย่างนึกกับปามิเนศที่กังคังสมาธิยามิเอ่อนึกออกแล้วเสียอย่างนึขิดปามิเนสศที่กังคังสมาธิยามิถือการไม่นอนเห็นบ้านเดี๋ยวนึกได้ว่าแล้วไงเงี้สมองใบฮะอา้าวทาไมยังไปโดนสัตว์ทํำลายเราแต่สัตว์ไหนไม่น่ากลัวมันสัตว์คนหรอกเออ สัตว์คนนี่น่ากลัวกว่าวิตศึกซะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ควางเดี๋ยวว่าให้ใหใหมองดูให้ง่ ว, งงวงมากๆก่อนเออเดี๋ยวของดีๆต้องมีคนคอนแจง้งเหมือนดูรมตัดนะจะดูรำตัดจะดูดสะดวกจะดูคอนแจง้งเออมีเยอะจะต้อง ก, กลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายแหละไม่ว่าเสือว่าช้างนี่เจอมังงูจงอางจะเข้ยังกล้าลงไปจับเลยเออแต่สัตว์คนนี่สิโดยเฉพาะสัตว์คนนี่สัตว์ตุ่เมียสด้วยเออ โอ้โหมันไม่ใช่เล่นทีเดียวแหละอ๋อร้องไหอ้อ่ะถึงกับนอนร้องไห้เลยอะ่ะนอนสะเอื้อมฮืกนอกเน้อคุมโปงอจีวรคุมปองร้ อ, อ, งองไห้เลยแหละเออไม่ใช่เล่นสัตว์คนเออแต่ลองไปจับเปียกเชสบายเออช้างมาก็เดินเข้าไปจับสบายเอ อ, ง, องูยงอ่างหอกหอกก็สบายแต่สัตว์คนนี่ถึงกับนอนร้องไห้เลยอะเออมันไม่ใช่เล่นดิเออผู้ผีปีศาจ ท, ที่ประจนมาไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัว เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาในการท่องเที่ยวในการที่เที่ยวไปนั่นไปเออเพื่อหวังความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้แหละทุก ด, ดังคะเออแปลว่าทรมานเครื่องย่างกิเลศเนี่ยมีสิบสาข้อสี่หมวดหมวดที่หนึ่งว่าด้วยเครื่องนุ่งหม่มหมวดที่สองว่าด้วยอาหาราบินสบายเป็นวัดพระนั้นพระบินทบาย ท, ทุกวันทุกวั น, นก็เป็นพระธุดงค์เหมือนกันเออเป็นพระธุดงค์เหมือนกันฉันในบาทก็ เป็นทุดงเหมือนกันนาณ า, าสนะโภชนังเอเอเกาสนิจ ก, กังคังสมาธิยาไม่เอาฉันมือเดียวอย่างนี้ก็เป็นพระทุดงแล้วเพราะฉะนั้นอาหารหมวดที่สองหมวดที่สามก็เสนาสนะอยู่โคนไม้เป็นวัดอภพอากาศอยู่ที่แจ้งเป็นวัดนี่โสสารนี่กังขาทุดงก็อยู่ป่าช้าเป็นวัดนี่ยอย่างพ่อราสองวานพ่อสนองนี่ท่านก็อยู่ป่าช้าวัดนองไผ่หรืออะไรตามที่ได้ฟังในโทรทัศน์เะ ก็ถ้าก็อยู่ป่าช้ามาก่อนโศกตานี้วยันฆาตุดงอาตมาก็เหมือนกันเคยเขาไปนั่งอยู่ในป่าชงป่าช้ายุงกินผีเหม็นอึงหมดก็ผ่านมาแล้วทั้งนั้นเรื่องจริงไม่ได้มุสาเพราะมุสาพูดทำไมพูดมันเป็นบาปอ่ะถ้าเราพูดไม่จริงอ่ะก็เราทําลายศิ่งของเราเอ่ะก็เทวดาก็ไม่รักษาด่เราทําลายศิ่ของเราเอ่ะถ้าเทวดารักันติเทวดารักษามีจริงนะเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราปฏิบัติไปนั่นไปเทวดาจะรักษาเราถ้าเรารักษาศิ่งเทวดาเขาก็อยากจะ บูชากราบไหวเพราะนั้นเที่ยวไปในป่าในดงอะไรต่างนี่ยงไม่สะท ก, กับทานวันไหวเนี่ยมีเทวดารักษา <c oughs> เพราะฉะนั้นทุ ด, ดงหมวดสามว่าโดยเสยนาสนะที่อยู่ที่อาศายัยตามมีตามได้อย่างวันนี้มาวัสังฆทานหลวงพ่อสนองถามว่ า, าได้ที่พักหรือยังบอกยังครับเอา พระยังไม่จัดที่พักให้เหรอเออท่านนั้นท่าง น, นี้อะไเรียกขันตา ม, มาไม่นานที่พั ก, กอะไรต่างๆให้ก็จัดหาที่พักก็เสนาสะนะตามมีตามได้เขาจัดถห้อย่างไงก็พักอย่างนั้นเอออย่างนี้ก็เป็นทุดงแล้วนี่อยู่ที่แจ้งเป็นวัดไม่มีที่มุงที่บงังเรียกวอับโขกขาดอ้าวลุกกมูเรเสนาสนางังก็ไปอยู่โคนไม้เอออย่างนี้หลังจากนั้นครูหาสยางก็ไปอยู่ถ้าเออไปอยู่อป่าชาา้าโสตานิจังฆาททุดง อ้าหมวดที่สามอ้าหมวดที่สี่หมวดที่สี่ก็เป็นข้อที่เยี่ยมยอดที่สุดข้อสิบสามมีข้อเดียวคือเนศชี้กังขาทุดงอย่างที่พวกเราทํากันนี่แหละนี่แหละข้อนี้เป็นข้อที่เยี่ยมยอดที่สุดข้อที่ทรมานที่สุดเพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนถือทุดงแต่ละข้อแต่ละข้อ อมาข้อสุดท้ายเนี่ยก็ทุกวันพระทุกวันพระจะไม่มีการนอนเพราะฉะนั้นอยามองเนี่ยม่เมียป้ายไม่มียตามหน้าตามตาไม่ป้า ย, าาาาาายอยามองหน้าดูแล้วจะป้ายตอนไหนล่ะจะป้ายตอนนี้แหละเนี่ยเนี่ยป้ายตอนนี้แหละเนี่ยช่วงนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไปลบเบียดน้ำก็เหมือนกันค่าสึกจะจมตีตอนไหนเนี่ยตีหนึ่งเที่ยงคืนเพนั้นตีสามออก เพราะอะไรเวทกองมันมาจะได้ป่าดิดงลึกก็มันก็ต้องเดินมาตั้งแต่หัวข้ามต่ก่อนมืดกว่าจะมาถึงเราตีทุ่มห้าทุ่มเที่ทยงคืนเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะ น, นี้จะง่วงเวทกงจะเข้าถ้าตีสามไปแล้วสบายเวทกองไม่เข้าแล้วถอยแล้วเพราะว่าอะไรมันเดี๋ยวกลับเข้าป่าไปทันสว่างอะ่ะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้เลยรู้หลักสูตรของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไปลบเวียดนามมาเหมือนกันช่วงนี้ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเวทกงเข้าพอตีสี่ตีอะไรต่างไปแล้วไม่มีแล้วเอเพราะฉะนั้นเนี่ย ความง่วงของการนิวรนเขาครอบงํำเราอ่านิวรถินมิทะเขาครอบงำเราทําไงเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่นี่เพราะอะาจารตะมาจะมีอุบายมีวิธีการไงเดี๋ยวร้องเพลงสัมั่งเดี๋ยวเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรต่างๆว่าเพื่อให้พวกเราเรีด้ตื่นเข้าใจไหมล่ะเราจะได้เป็นผู้ชนะเราจะได้เป็นผู้ตื่นชาคลโอลผู้ตื่นอยู่อาตาปีมีความเพียรเพึ่องอยู่อย่างนี้เพราะนั้นตั้งหลับตาหนีเดี๋ยวมันสงบกงอกเองียกได้ เพราะฉะนั้นมีวิธีการเดี๋ยวเธอที่นอนไปเดียเด๋ยวเธอเขาดูลุกหมดเลย เ, ยเอามาเดี๋ยวเขาดูม <c oughs> ่งจะหาว่ามูสาเดี๋ยวเขาดูจะจ้าให้ลุกหมดเลยหือเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเ <c oughs> ออทรมานตนเองตอนตัวเองมาจึงสบายมากะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นอนก็ได้ไม่นอกนก็ไระมานีาน้สบายมากเลยพวกนี้ไม่กินก็ได้เพราะมันฝึกมาจนอยู่ตัวเราแล้วมันมันอยู่ในกำมือของเราแล้วอ่ะ ถ้ากินก็ได้ไม่กินก็ได้สมาไม่เคยกินสิห้าวันไม่เคยฉันเลยเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะไม่ฉันสามวันก็ฝึกไปไม่ฉันสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันนั่งก็เลยเป็นที่แค่สิห้าวันที่ไปอยู่วัดหนองมะพง์หลวงพ่อชาท่านบอกว่าท่านมนทนเนี่ยท่านป ร, ประกาศในที่ประชุมในที่ประชุมท่านมนทนเนี่ยที่ท่านอดอาหาร <c oughs> ท่านอดอาหารไม่กินอาหารเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เพื่อตัดตรู้ เพื่อต้องการให้รู้เรื่องของท่านรู้เรื่องของท่านเรื่องของท่านคือเรื่องอะไรเรื่องกายเรื่องจิตไงพระเราไม่กินข้าวไปกายมันเป็นยังไงบ้างจิตมันเป็นยังไงบ้างเข้าใจไหมเนี่ยพรอชาท่านพูดในที่ประชุมเลยไม่ฉันที่ผ้าวันถามพระไวยเลยึกษาเดียวไปอยู่ๆๆด้วยกันพระไวยนี่ท่านโอ้โหนั่นสมมติว่าคนที่ท่านกอดอาตมานั่นเลยนะเออพระกอดพระนี่ไม่เรื่องธรรมดานะปกติมีแพระกอดชีเออ เออนี woman. Woman the the ่พระกอดพระพ่อตมานี่กอดพ่อตมานี่กอดตมาแน่นเลยท่าพ่อตมาเองกันนะโหอาจารย์มนทนเรามาเจออาจารย์มนทนเราดีใจนะกอดธรรมกลางสลาผู้คนเต็มทั้งพ่อตมาเดินมากอดตมาแน่นเลยเออเนี่ยถ้าเาาหมาเน่าเนี่ใครจะกล้าแตะต้องตัวมั่งนี่วันนี้พ่อไวท์ท่านกอดมาแน่นเลยเออเจอดีใจอย่างนี้แหละเออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย ธุดงเขวัตแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเอนสัชิกังค้าทุดงเนี่ยถือว่าทรมานที่สุดก็ออกก็ได้ค่ะเออเอาออกอันนี้ก็ได้ค่ะเออกได้แต่เสียก็ยังมีอ๋อเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยได้ฝึกตัวเองมาทรมานตัวเองมาแต่ละข้อแต่ละข้อเออเห็นว่าเนสัชิกังค้าธุดงเนี่ยที่เมื่อได้ปฏิบัติปฏิบัติมาเนี่ยมันทรมานมากแต่ครวนี้เราก็มีวิธีการ นะ <c oughs> มีวิธีการมันง่วงจริงเหรอทําไมเราเวลากินข้าวทำไ ม, ไมถึงไม่ง่วงเวลาจะเปิดข้าวขาบาร ท, ทําไมไม่หัวจ้าชามจ้ะไรต่างทําไมไมันตื่นแสดง ว, ว่ามันง่วงไม่จริงเออเพราะฉะนั้นว่าถ้า ง, ง่วงจริงทำไมหัวไม่โขกบาดเวลาฉันให้บาดทําไมไม่สงกโขกบาดนี่ทําไมไมันตื่น แ, แต่เวลานั่งสมาธิมันเคอยสงกเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรนี่ จะทําอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องทรมานตนทรมานตัวหาวิธีการทํายังไงถึงจะนั่นได้จึงเป็นผู้ตื่นได้มันก็ต้องทรมานตัวเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เหมือนกันท่านทรมานตัวเองท่านไม่จะตัดตลูในภาษาสามฤดูท่านไม่จะตัดตลูในภาษาฤดูหนาวท่านไม่จะตัดตลูในตลาดฤดูฝนท่านไม่จะตัดตลูในภาษาฤดูร้อน ท่านแม่ตัดตะลุอยู่พระนอนอยู่กับพิมพ์พานี่ท่านแม่ตัดตะลุอยู่พระนอนกับลาหุนท่านตัดตะลุในป่าแต่ผู้เดียวเนี่ยท่านตัดตะลุแต่ผู้เดียวณโคนไม้ที่เรีว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ณสถานที่นั้นท่านจึงตัดตะลนี่แหละไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณธรรมมันยิ่งใหญ่เนี่ยก็มันต้องแลกกัน อ, อ, อยากได้ของดีก็ต้องเสียของรักของรักคืออะไรล่ะเรารักการนอนเรารักการกินเราเคยกินตามอาเภอใจเคยกินตามปากเราก็กินตามมีตามได้แล้วแต่ทางวัดสังฆทานจะจัดให้กินเออเป็นอย่างนั้นว้าวันนี้เสังฆทานแกงส้มปักบุ้งไม่เป็นต่กินเลยก็ต้องกินทำไงได้เราปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติ นี่เออเราก็ต้องยอมเสียของรักที่เรารักในการกินอร่อยอร่อยอ้าวเราก็ต้องเสียของรักเตนาสนะที่อยู่ไม่สบายที่ฟูกที่ดับที่นอนอะไรต่างห้องน้ำห้องส้วมอะไรต่างเราก็ต้องยอมเสียของรักเราอยากจะได้ของดีเราก็ต้องยอมเสียของรักของรักของเราคือกินสบายนอนสบายเออที่เยี่ยวสบายอย่างนี้เราก็ต้องยอมเสียของรัก พระนั้นพระเจ้าขอเป็ น, นการท่านหวังความเป็นพระเจ้าทกานกเสียของรักของท่านคือเสียพิมพาเสียลาหุนเสียประสาท ร, ราชวางังเสียสมบัติจกักรพรรดิถ้าหากว่าท่านอยู่ครองสมบัตินี่ท่านอาจจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิท่านยอมสละยอมเสียหมดเพราะท่านอยากได้ของรักคือพระโพธิญาณเพราะท่านปาถนาพระโพธิญาณมาครั้งกัลนาน <c oughs> มีสุมเมศลูศี เกิดขึ้นที่เมืองอมองรลวดีไอ้สุมเมศมีกุบุตรชื่อว่าสุมเมศเกิดขึ้นที่เมืองอมรลวดีค้านี่สุมเมศเนี่ยเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่มีทรัพสมบัติมากมีช้างมากมีม้ามากมีหัวควายมีข้าทาบบริวารมากนี่วันหนึ่งพ่อแม่ก็เกิดตาย พวกข้าท่าทายทั้งหลายแหละเขาก็มาแจ้งว่าสุมเมศพ่อแม่ตายแล้วที่ดินมีเท่านั้นไร่ที่ดินมีเท่านี้ไร่อยู่ข้างวัดสังฆทานมีให้เช่า อ, อยู่สามไร่แปลงหนึ่งสองไร่แปลงนึ้นเห็นแล้วไอ้หาเขาให้เช่านีกว่าเขาไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ได้ขายใช่ไหมขายเหรอเออขายมั่ง<า>นะกาผ่าน<า>แป<บ>๊บ ๆ, ๆอยู่ยเออ<ๆ>นั่นแหละเออ ก็ได้ปรากฏว่าของนายบรรยัตให้ติต่อนายบรรยัติใช่ไหมอ๋ออันนี้ตรงหน้าหน้าวัดใช่ไหมเออบรรยัตใช่มิด ต, ต่อบัญัตเ อ, อ๊ะก็เลยพูดน้องสา บ, บอกไอ้หาไอ้จิ๋วมึงมีที่อยู่ข้าวสารกฐนินยังไงเดี๋ยวพวกนี้มึงโทรไปแซวมันสิเพราะน้องชายชื่อบัญญัตีงเราอยู่กำแพงเพชรบอกเออมึงโทรไปแซวที่อหามึงมีที่แอบมีที่อยู่ข้าวสารกฐินเมื่อไหร่ว่าแปลงหนึ่งสองไร่แปลงหนึ่งสามไร่เออว่าอย่างนั้นไอ้หายกถวายฟีวัดกนเจ้าชาติหน้าเกิดมีที่ดินในกอธม จะย่าวมันให้โทรไปย่ามันหน่อยแบบนั้นาาเพราะมันชื่อบัญญัติล้องชายตรรมมานเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเออเราเคยกินอยู่อย่างสุขสับสบายเราก็ต้องเสียสละความสุขความสบายเพื่อมาแลกคุณธรรมอย่างองค์พระนันตะสัมมาธรพระเจ้าเออท่านหวังมาเป็นนาโถนาถะที่พึ่งของพวกเราเหมือนสุมเมศก็เหมือนกันสุมเมศครั้งนั้นยังไม่ได้เป็นพระเจ้า เออพ่อแม่ตายแล้วเขาก็มาแจ้งให้เว่าที่ดินมีเท่านั้นเออแปลงนั้นมีเท่านั้นแปลงนั้นมีเท่านั้นงูควายมีเท่านั้นเท่านั้นช้างมีเท่านั้นม้ามีเท่านั้นทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองมีเท่านั้นแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายสุเมษนี่สุแปลว่าอะไรสุแปลว่าดีเมษเมทะเมทาแปลว่านักปราศนี่แปลว่านักปราศที่ดีนั่นเองผู้รู้ที่ดีนั่นเองเพราะสุเมษแกก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะ ไอหาทรัพย์ ส, บสมบัติข้าวของเงินทองมากมายเนี่ยพ่อกูตายก็ไม่ได้ไปด้วยวะเออพ่อกูตายก็ไม่ได้ไปด้วยท้างก็ไม่ได้ไปม้าก็ไม่ได้ไปข้าวของเงินทองเสื้อผ้าพ่อผ่อนะไรต่างก็ไม่ได้ไป